ว่าสิงสวรรค์เล่มสองได้รวบรวมมาจากเรื่องที่เคยลงในหนังสือวิญญาณตั้งแต่เดือนมกราคมพุทธศักราช2511จนถึงเดือนธันวาคมพุทธศักราช2512รวมเป็นเวลาสองปีสำหรับในปีพุทธศักราช2511ได้เริ่มต้นด้วยเรื่องการเขียนพระรูปของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านจะฟังได้ตั้งแต่บทแรกของเล่มนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าอยากจะให้ผู้อ่านได้ติดตามผลงานในเรื่องนี้อย่างละเอียดมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2516ซึ่งในปี2516ได้มีการพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องโอปปาติกะหลายอย่างรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องพิสูจน์ขอให้อ่านจากปกฐกถาของอาจารย์จุลทั์พยาคารานซึ่งได้นำลงในหนังสือวิญญาณตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม2516 การเขียนพระรูปของพ่อคุณรามคำแหงมหาราชนี้เกิดขึ้นจากการปรารพของจอมพลถนอมกิติขจรเพื่อจะได้แบบอนุสาวรีย์ขอให้ท่านสังเกตว่าพระรูปของพ่อคุณรามคำแหงมหาราชได้เริ่มลงมือเขียนเมื่อวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2510และได้นำเสนอท่านเมื่อวันที่18ตุลาคม2510 และวันที่เกิดเหตุการณ์วันมหาวิประโยก็คือวันที่ 14-15 ตุลาคม2516ซึ่งจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ท่านต้องไปอยู่ในต่างประเทศเหตุการณ์ที่สําคัญในชีวิตของท่านได้เกิดขึ้นในเดือนเดียวกันเพราะเหตุที่ท่านไม่แน่ใจว่าพระรูปนี้คือพระรูปที่แท้จริงของพ่อขุณรามคำแหงมหาราชเพราะฉะนั้นเมื่อท่านนำพระรูปนี้ไปเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการที่จะสร้างอนุสาวรีย์ พอคณะกรรมการที่มาจากกรมศิลปากรปฏิเสธไม่ยอมรับท่านก็เลยหมดปฏิพานที่จะโต้อตอบอย่างน้อยที่สุดถ้าท่านจะบอกว่าจะเชิญให้ผู้ที่ร่วมงานในการเขียนพระรูปนี้มาแถลงในที่ประชุมการสร้างอนุสาวรีย์ตามแบบที่ได้เขียนไว้นี้ก็คงจะเป็นผลสำเร็จและนั่นย่อมหมายความถึงว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาท่านก็จะได้อาศัยผลงานทางด้านค้นคว้าในเรื่องวิญญาณของข้าพเจ้าช่วยบริหารบ้านเมือง ซึ่งถ้าหากเป็นไปตามนี้จริงข้าพเจ้าก็เชื่อว่าเหตุการณ์ในวันมหาวิประโยคก็คงจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนคนเราเมื่อถึงคราวชะตาตกหรือบุญไม่ถึงก็มาจะตัดสินใจอะไรผิดดังเช่นเรื่องนี้เป็นต้นข้าพเจ้าบันทึกเหตุการณ์นี้ไว้ก็เพื่อเป็นหลักฐานของการค้นคว้าส่วนหนึ่งในเรื่องนี้ ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์แก่คนทั้งหลายที่จะได้สํานึกถึงความสําคัญในเรื่องนี้ไว้บ้างแววเสียงสวรรค์นในเล่มสองมีเรื่องที่น่าสนใจเป็นอันมากขอให้ดูจากหัวข้อต่างๆและจะทราบว่ามีเรื่องอะไรบ้างอันที่จริงข้าพระเจ้าควรจะทําสารบัญเรื่องนี้ไว้อย่างละเอียดให้ยิ่งกว่านี้เพื่อสะดวกแก่ผู้ที่ศึกษาค้นคว้าจะได้รู้ว่าเรื่องที่ต้องการจะทราบนั้นมีอยู่ที่ตรงไหนบ้าง แต่เนื่องจากการจัดทําหนังสือเล่มนี้มีเวลาจํากัดมากจึงต้องทําอย่างนี้ออกมาก่อนแต่สําหรับในการพิมพ์ครั้งต่อไปข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะย่อใจความที่สําคัญของเนื้อเรื่องทั้งหมดมาไว้ในหน้าสารบัญหนังสือแววเสียงสวรรค์สําหรับเล่มต่อไปก็เข้าใจว่าคงจะออกได้อีกไม่นานเท่าไหร่เพราะขณะนี้ก็ได้ลงมือจัดพิมพ์ติดต่อกันมาเรื่อยๆหนังสือในชุดนี้จะมีทั้งหมด5เล่มด้วยกัน รัตนาสุวรรณ14มกราคมพุทธศักราช2516